รวมวาระที่มีในสมถะเพทะอธิกรณะปริยายวา ร, าวาร ะ, สะสาธาระวาร ะ, ะตับพาคยะวาระสมถะสาธาระวาระสมถะตับพาคยะวาระสมถะสัมมุขาวินยะวาระวิญยาวาระกุศลวาระ ยัตถวาระปุจฉาวาระสมถวิสัชนาวาระสังสัทธวาระสัมมติวาระสัมมันตินะสัมมันติวาระสมัาธิกรณวาระสมุถาปนวาระพระชติวาระ